มาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่เลิศที่ประเสริฐเป็นความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโรนี เป็นความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้จะฉลาดขนาดไหนจะเก่งขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถมองเห็นความรู้อันประเสิอนี้ได้ ความรู้อันประเสริฐนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตณนี้ก็คือพระอริยสัจสี่อริยะก็แปลว่าความประเสริฐอริยรสัจสัจก็คือความจริงความจริงอันประเสริฐเลิศโลกสี่ข้อที่ทําให้ผู้ที่ได้เห็นได้รู้ความจริงอันนี้สามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของตนให้หมดสิ้นไปได้อย่างสิ้นเชิงจะไม่มีความทุกข์ทางใจหลงเหลืออยู่อีกต่อไปถ้าสามารถเข้าถึงพระอริยสัจสีนี้ได้พระอริยสัจสี่นี้คือความจริงสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่ง อริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกขศาสตร์จะเกิความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ว่าอะไรคือความทุกข์ทรงตัดไว้ว่าทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการทัดท่าจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่รักที่ชอบ การที่จะต้องประชนกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่ไม่รักไม่ชอบเวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้แล้วความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีนี่คืออริยสัจข้อที่หนึ่งเรียกว่าความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ทุกทัศ์จะอริยสัจข้อที่สองเรียกว่า สมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะคือความจริงที่เกี่ยวกับต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้แปลว่าต้นเหตุของความทุกข์อะไรที่ทําให้ใจทุกข์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วย ก, กัน ได้แก่นหนึ่งกรารมาตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิด ต, ต่างๆสองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นสวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่แหละคือต้อนเหตุของความทุกข์ใจ เช่นเวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายก็เกิดความทุกข์ใจทุกเพราะว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตา ย, ยานั่นเองความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วก็อริยศัสตร์ข้อที่สามเรียกว่านิโรธาสัจจะความจริงเกี่ยวกวับ ความจริงเกี่ยวกับการดับทุกข์ความจริงเกี่ยวกับการดับของทุกข์หรือความจริงเกี่ยวกับการหมดทุกข์สิ้นทุกข์การหมดทุกข์สิ้นทุกข์นี้เรียกว่านิโรธสัจจะทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกข์ย่อมดับได้ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุทำให้ทุกข์เกิดขึ้นนิโรธคือการดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นได้ ด้วยเหตุที่ทําให้เกิดนิโรธขึ้นมาเหตุที่ทําให้เกิดความดับทุกข์ขึ้นมาได้นี้ก็คืออริยศาสตร์ข้อที่สที่เรียกว่า ม, มรมรคสัจะจะมรคสัจจะมร์แปลว่าทางเดินหรือการดําเนินทางดําเนินสู่การดับทุกข์สู่การพ้นทุกข์สู่การสิ้นทุกข์เรียกว่ามร จะสิ้นทุกได้จะดับทุกได้ต้องมีมรรคกสัจจะมรรคกสัจจะคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงคือมรรคที่มีองค์แปดที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติทางสายกลางที่ไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งทางสายกลางนี้เป็นทางระหว่างวิธีการดับทุกของ คนบางกลุ่มคนบางกลุ่มก็ดับทุกข์ด้วยการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเท่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่ความสุขที่ได้จากการเสพนี้เป็นความสุขเพียงชั่วคราวไม่สามารถที่จะทำให้ใจสุขไปได้ตลอดโดยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลย เวลาที่ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผดพาบจางหายไปความทุกข์ก็กลับเืนขึ้นมาใหม่อันนี้เรียกว่าทางสุดต่งทางหนึ่งที่ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ทางสุดต่งที่ใช้กันดับความทุกข์อีกทางก็เรียกว่าการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเช่นการ ทิ่มแทงของแหลมของคมเข้าสู่ร่างกายการไม่อาบน้ำอาบท่าไม่ไม่ตัดผมปล่อยให้ยาวเปือยไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นชีเปลยหรือการนั่งอยู่บนที่นั่งที่มีของแหลมคมหรือการอดอาหารไม่กินอาหารการกระทาเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก่อนที่ได้ทรงปฏิบัติทรงได้ตัดสรู้เห็นพระอริยสัจส์เห็นทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้พระองค์ก็ทรงใช้สายใช้วิธีการสองทางนี้มาก่อนสมัยที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ใช้การเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ก็ไม่สามารถดับความทุกข์างใจได้เวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายเวลาคิดถึงการที่จะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปใอเวลาที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปาถนาใจก็ยังทุกข์อยู่ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิน่นรสนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์เหล่านี้ได้ เช่นเดียวกับการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ใจนี้ไม่ทุกข์กับมันใจก็ยังทุกข์อยู่ถึงแม้จะอดพระกยายหารถึงสี่สิบเก้าวันความทุกข์ใจก็ยังไม่หายไปความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็ยังอยู่เหมือนเดิมองค์จึงทรงเห็นว่าทางสองทางนี้เป็นทางสุดโตก ไม่สามารถนำมามาดับความทุกข์ได้และได้ทรงใช้วิธีทางสายกลางทางสายกลางที่ทรงได้ได้ดำเนินได้ปฏิบัติมาในในรดับหนึ่งแต่ยังไปไม่ถึงสุดทางก็หลังจากที่ได้ทรมารร่างกายแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางก็กลับมาสู่ทางสายกลางแล้วก็ดำเนินการปฏิบัติ เพิ่มเติมเข้าไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นวิปัสสนาปัญญาขั้นที่ได้ปฏิบัติมาคือเพียงขั้นศีลขั้นสมาธิดับดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาอยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็ยังหลงเหลืออยู่ในใจไม่หายไปไม่หมดไป จึงต้องใช้การเจริญวิปัสสนาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าทำไมาใจถึงต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่างๆในที่สุดก็สองคนพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเพราะมีความอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากเสพ ร, รูปเสียงขีดล้นนี้ก็จาเป็นจะต้องมีเครื่องมือคือมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เป็นเครื่องมือไว้เสพถ้าร่างกายบกพร่องไปเช่นเก็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการความสามารถที่จะเสพความสุขทางตาผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะไม่สามารถเป็นไปได้พอไม่สามารถหาความสุข ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นว่าตัวที่มาทำให้ความทุกข์ใจนี้ไม่ใช่ตัวความแก่ความเจ็บความตายแต่ตัวที่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ร่างกายเป็นธรรมชาติที่ มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจะอยากหรือไม่อยากก็ไม่ได้หยุดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ความแต่การไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้สามารถดับความทุกข์ใจได้พระองค์อะทรงค้นพบปัญญาทง่งคศส่งพบอริยสัจสี ทรงพบตายรักว่าทุกข์ของใจเกิดจากความอยากและการจะดับความทุกข์ใจให้หมดไปจากใจก็ต้องมีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากเช่นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีเกิดมีดับเป็นไปธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความจริงอนี้ได้ถ้าอยากให้มันเป็น ไม่ดับนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจถ้ายอมรับความจริงมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับมันองค์เลยท่องค้นพบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปโปความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องเห็นอริยา ส, ารรสัจสี่นี่ เห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปแล้วก็เห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากอยากเกิดจากเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระทําบาปเวลาที่ใจกระทําบาปเวลาใจฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีหรือพูดโกหกหลอกลวง ใจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานีเกิดสมาทิฏฐิที่เป็นส่วนประกอบของมรรคมรรคมีส่วนประกอบอยู่แปดข้อด้วยกันเรียกว่ามรรคแปดหรือที่เราเรียกว่ามรรคที่มีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบเป็นเครื่องมือที่จะมาใช้ในการทําให้เกิดความ ดับทุกได้ทุกจะดับได้ต้องมีมรรคเป็นเป็นผู้มาดับเหมือนกับไฟที่ไหม้ไฟไหม้นี้จะดับได้ก็ต้องมีน้ํามาดับไฟถ้าไม่มีน้ําดับไฟไฟก็จะไหม้ไปเรื่อยๆพระวจจาก็สองคนเพราะว่าความทุกข์ใจนี้ก็เป็นเหมือนไฟที่กําลังไหม้อยู่ในหัวใจและจะดับไฟที่ไหม้อยู่ในหัวใจนี้ได้ก็ต้องมีน้ํามาดับ น้ำที่จะมาดับไฟในใจก็คือมรคนี้เองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องข้อที่สองความคิดที่ถูกต้องสัมมาสังคโปรข้อที่สาการกระทําที่ถูกต้องสัมมากรรมโตข้อที่สี่การพูดที่ถูกต้องสัมมาวาจา ข้อที่ห้าอาชีพที่ถูกต้องสัมมาอาชิวข้อที่หกความเพียรพยายามที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวายามโมข้อที่เจ็ดการตั้งการลเลืกรู้ที่ถูกต้องคือสัมมาสติและข้อที่แปดการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือ หรือมรที่จะเป็นเหตุที่จะมาดับที่จะมาทำให้เกิดนิโรธคือการดับของทุกข์ดับของดับไฟในใจดับไฟในใจมรเป็นเหมือนน้ำน้ำดับไฟเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในใจนี้ต้องใช้มรที่มีองแปดนี้เป็นเครื่องมื อ, อเมื่อกี้ได้พูดถึงองที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นให้รู้ว่า เหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากสองอย่างเกิดจากความอยากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้วิธีจะหยุดความอยากก็ต้องใช้สัมมาสังกโปความคิดที่ถูกต้องคิดอย่างไรถึงคิดว่าถูกต้องก็คิดว่าต้องละความอยากต้องละการกระทำบาป ขอให้ใจนึกอยู่สองอย่างนี้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจอย่าทําบาปถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจอย่าเลาะอย่าอยา ก, ยา ก, ยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็นําไปสู่ข้อที่สามคือการกระทําที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องก็คือไม่ไปทําให้ผู้เสียหายหเดือดร้อนเพราะนี่คือการกระทําบาปละเว้นการกระทําบาป ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีแล้วก็นำไปสข้อที่สสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องก็คือต้องไม่พูดปดพูดแต่ความจริงอย่างเดียวถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ให้หปุบปากไว้เฉยๆไม่ต้องพูดถ้าไม่พูดแล้วไม่ถือว่าพูดปดใครก็จะถามยังไงถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบ ถ้าตอบแล้วต้องเป็นการโกหกก็อย่าตอบถ้าตอบไปแล้วถ้าเป็นการโกหกก็ถือว่าเป็นการกระทำบาปทำไปแล้วจะทำให้ใจไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็มาข้อที่ห้าคือสามาอาชีวอ์อาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนนั่นเองไม่ไปทำอาชีพเช่นขายของ ขายยาเสพติดขายสุรายาเมาขายอาวุธต่างๆเพราะของเหล่านี้เมื่อคนซื้อไปแล้วก็ยาเอาไปทำร้ายผู้อื่นทำให้เกิดการเสียหายหเกิดขึ้นมาไม่ควรกระทํามาชีพเหล่านี้เพราะเพราะจะทําให้เรามีส่วนร่วมทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็มาข้อที่หกสำมา สัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องว่าขยันให้ทำอะไรขยันละบาปขยันละความอยากนั่นเองพยายามทุกครั้งที่อยากอะไรก็พยายามหาข้ามจิตใจอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นขยันละการการะทบาปเวลาอยากจะทำบาปอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะลักทรัพย์ อยากจะ พ, พูธผิดประเพณีอยากจะพูดปด <c oughs> ก็พยายามละมันเสียในว่าสัมมาวายาโมและข้อที่เจ็ดคือการละเลิกรู้ที่ถูกต้องละเลิกรู้อยู่กับอะไรละเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ที่ทำให้ใจสงบที่ทำให้ใจไม่วุ่นวายไม่คิดปรุงไม่ฟุ้งซ่านก็ค่ละเลิกรู้อยู่กับ กรรมฐานอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐาน40ชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติก็ละลึกถึงพระพุทธเจ้า<ม>สวดีิปีปิโสไปหรือละลึกคำว่าพุทธโธพุทธโธไปภายในใจเวลาใจที่จะคิดไปทำบาปเวลาใจคิดอยากจะไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็หักห้ามจิตใจด้วยการใช้สติละเลึกรู้อยู่กับ ทำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้มีเล็อกล อ, อยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวที่ทำอะไรต่างๆก็ได้ mm hmm. เพื่อป้องกันเพื่อรับยับยัง้งไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าสามารถมีสัมมาสติได้สามารถก็จะสามารถควบคุมความคิดต่างๆได้ความคิดที่จะทำบาปเวลาเกิดขึ้นก็สามารถใช้สัมมาสตินี้หยุดได้ เวลาคิดที่จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามีสติก็สามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้เมื่อหยุดความอยากเหล่านี้ได้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วก็จะดับไปทันทีถ้าหยุดความอยากได้หยุดการกระทำบาปได้แล้วก็ข้อที่แปดมักข้อที่แปดก็คือ ความตั้งมั่นของใจเรียกว่าสมาธิสัมมาสมาธิ mm hmm. สัมมาสมาธิก็คือตั้งอยู่ในความสงบนั่นเองใจของเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์ mm hmm. รถยนต์นี้ก็มีอยู่สองลักษณะรถยนต์ที่วิ่งกับรถยนต์ที่จอด mm hmm. รถยนต์ที่วิ่งก็วิ่งไปวิ่งมา mm hmm. วิ่งไปแล้วก็เกิดความรุ่มร้อนในเครื่องยนต์ขึ้นมา แต่รถยนต์ที่จอดอยู่นี้ก็จะนิ่งจะเย็นจะไม่มีความร้อนในเครื่องยนต์ใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่ไม่เคยจอดนิ่งเลยวิ่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเวลาหลับก็ยังไม่ได้หยุดนิ่งก็ยังท่องไปในความฝันต่างๆอีกแล้วทำให้ใจนี้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ความทุกข์เกความวุ่นวายใจอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเราสามารถที่จะทําใจให้นิ่งได้ใจก็จะมีความสงบแล้วก็จะมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะทําให้ใจนี้สามารถที่จะสู้กับความอยากได้เหตุที่อยากได้ก็เพราะใจมี มีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขที่ไม่มีความสุขเพราะว่าใจไม่มีความสงบพอใจพอทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ความอยากที่จะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้กับตนให้ความสุขกับตนก็หยุดไปชั่วคลาวเพราะเวลาใจสงบใจจะนิ่งใจจะอิ่มใจจะไม่หิวจะไม่มีความอยากได้อะไร แต่ก็เป็นความสงบความนิ่งชั่วขา่าวพอออกจอากสมาธิมาพอใจเผลอพอสติเผลอใจก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าอยากจะทำให้ความอยากนั้นหายไปก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้ามาอยากทุกอยากไปอยาก เพราะว่าถึงแม้จะได้ความสุขจากความการกระทาความอยากก็เป็นความสุขเพียงประเดียวประเดาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆมันไม่จีรังถาวรมันเป็นเหมือนควันไฟได้มาแล้วมันก็จางหายไปไปเที่ยวมาแล้วกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็จางหายไปไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆ ความสุขที่ได้พอกลับมาบ้านมันก็จางหายไปหมดความทุกข์ก็กลับมาคืนขึ้นมาใหม่ความอยากก็เกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ต้องหยุดความอยากเพราะเมื่อหยุดความอยากนด้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเมื่อใจนิ่งใจสงบใจก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปนีใช้ปัญญา สอนใจให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขหาความสุขแบบนี้ได้เท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็หายไปเหมือนตะครุบเงาคอยวิ่งตะครุบเงาเราอยู่เรื่อยๆเราเห็นเงาเราทอดอยู่ข้างหน้าเราอยากจะไปจับเงาเราเราเดินเข้าไปตามเงาพอเราเดินไปตรงจุดที่เงาอยู่เงามันก็หนีไปข้างหน้าอีกความสุขต่างๆก็เหมือนกัน เห็นว่าสิ่ง น, นั้นให้ความสุข ก, กับเราพอไปหาความสุขจากพอพอได้สิ่ง น, นั้นมาอความสุขมันไปอยู่กับอีกสิ่งอื่นอีกแล้วเช <iend ain, S 2> ่นได้เป็นในายสิบพอได้เป็นในายิบก็ดีใจอะดีใจเดี๋ยวเดียวความดีใจหายไปแล้วความอยากได้ในร้อยตามขึ้นมาอีกแล้วความสุขอยู่ที่การเป็นนร้อยแล้วไม่ใช่อยู่ที่การเป็นในายสิบแล้วพอได้ได้เป็นนร้อย ก็ได้สุขเดียวเดียวอย่างนี้มันไปเห็นในพันขึ้นอยู่ข้างหน้าเองคความสุขมันหนีไปครับหนีจากในสิบไปอยู่ที่ในร้อยพอไปได้ในร้อยมันก็หนีไปอยู่ที่ในพันพอไปได้ในในพันมันก็หนีไปอีกเหมือนวิ่งตะคุบเราเรามันจะหนีเราไปอยู่เรื่อยๆมันจะทอดทอดอยู่ข้างหน้าเราไปเราเดินไปตรงจุดที่มันอยู่ตรงนั้นเส้นศีรษะเราอยู่ตรงตรงนู้น พอเราเดินไปตรงจุดที่ศีสันเงาของเราอยู่ตรงนั้นพอเดินไปตรงจุดนั้นเงาของเราก็เคลื่อนไปอี ก, อกจุดหนึ่งนี่คือลักษณะของสิ่งที่ใจอยากได้มันเป็นอย่างนี้ได้อะไรมาแล้วมันจะหมดความหมายไปความสุขได้เดี๋ยวเดียวแล้วมันจะไปเห็นสิ่งที่มันอยากได้มากกว่าสิ่งที่มันมีอยู่ไปเรื่อยๆได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีอีกไม่มีพอจนไม่สามารถที่จะ ทำได้เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเวลานั้นก็เลยจะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะไม่สามารถที่จะไปวิ่งตะคุกเงาได้ต่อไปแต่ถ้าเราหยุดเราหยุดวิ่งไปหาเราเราพอแล้วเราเป็นในสิบเราตรงนี้แหะเราพอแล้วเงาเราเหยียบมันที่เท้ามันก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันที่หัวเราเราไม่ต้องมีไปวิ่งไปตามเหยียบที่หัวเราก็ไม่ต้องไปวิ่งตามมันอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราใจไปเหยียบเงาที่หัวเรามันเราพอเราเดินไปเงาที่หัวเรามันก็หนีเราไปเะั้นเราต้องรู้จักคําว่าพอวิธีจะทําให้ใจเราพอก็คือต้องทําใจเราให้นิ่งให้ละทำใจให้สงบด้วยสมาธิวิธีที่จะทําใจให้สงบได้ก็ต้องมีการเจริญสัมมาสติให้ระลึอกอยู่กับกรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งเพื่อที่จะระงับความคิดปรุงแต่งต่าง ที่ทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบและการที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้นี้ก็ต้องมีศีลมีการกระทำมีอาชีพที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องมีวาจาที่ถูกต้องเพราะถ้าไปทำผิดทำบาปทำผิดกฎหมาย ก, ก็จะต้องไปวุ่นวายกับการที่จะต้องไปถูกจับติดคุกติดตารางหรือหนี นีหลบหนีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะมาตามคอยจับไปนี่คือมรรคที่มีองค์แปดถ้าใครสามารถจเจริญได้<ม>ก็จะสามารถมีกําลังที่จะหยุดตันหาความอยากต่างๆได้ถ้าหยุดตันหาความอยากต่างๆได้นิโรธคือการดับของทุก์ก็จะปรากฏขึ้นมาใน ใ, นใจทุกที่เกิดขึ้นมาเกิดจากความอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอหยุดความอยากนี้ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอรู้ว่าความอยากพอรู้ว่าร่างกายจะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือไม่มันก็ไม่ได้ไปห้ามไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้ร่างกายมันก็แก αι, ่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่คนที่ฉลาดจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะรู้ว่าความทุกข์มันไม่ มันเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายมันไม่ได้เกิดจากการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเก่งกาจขนาดไหนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนเรื่องของฝนตกแดดออก ไม่มีใครที่จะไปควบคุมบังคับธรรมชาติได้ไม่มีใครไปสั่งให้ฝนหยุดได้ไม่ให้ฝนตกได้หรือไม่มีใครสั่งให้พระอาทิตย์นี้หยุดหยุดอยู่ตรงการศรีษะเราไม่เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีใครทำได้เรื่องของธรรมชาตินี้ไม่มีใครมีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มีแต่ต้องยอมรับกับความเป็นจริงนั้นถ้ารับกับความเป็นจริงได้ใจก็จะไม่ทุกข์ อย่างพวกเรานี้ไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมั่นควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกอากาศจะหนาวจะร้อนจะเย็นเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราก็ไม่ทุกกับมันฝนตกเราก็ไม่ทุกแดดออกเราไม่ทุกน้าท่วมเราก็ไม่ทุกเพราะทุกไปก็ไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไร ทุกไปก็ไม่ได้ไปหยุดน้าท่วมไม่ได้ไปหยุดอะไรต่างๆของของธรรมชาติแล้วเราทำไมมาทุกข์กับร่างกายของเราเพราะเรามีความหลงเราไปเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ธรรมชาติเราไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเท่านั้นเองแราวไปคิดว่าเราควบคุมร่างกายได้บังคับร่างกายได้ซึ่งเราก็สามารถควบคุมบังคับร่างกายได้บางส่วนเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทุกส่วน เช่เราสามารถสั่งให้มันลุกขึ้นมายืนได้สั่งให้มันเดินได้ส huh. um ั่งให้มันนั่งสั่งให้มันวิ่งสั่งให้มันกินอะไรได้ทำอะไรได้แต่บางเวลามันก็สั่งไม่ได้เวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานอนติดเตียงอย่างนี้จะไปสั่งให้มันลุกขึ้นมาให้ไปวิ่งไปทำอะไรต่างๆมันก็ทำไม่ได้แต่เราก็ยังไม่ยอมเชื่อว่ามันเป็นธรรมชาติเรายังไปที่ว่ามันตัวมันเป็นตัวเราของเราอยู่ ที่เราจะสามารถที่จะไปสั่งมันได้พอเราสั่งมันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นที่ใจก็ความทุกข์ใจเวลาไม่สบายใจนี้ทุกข์ใจไหมทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากจะใช้ให้ร่างกายทำนู่นทำนี่ไปนู่นมานี่แต่ร่างกายมันไม่ไปเท่ไหมมันไม่ทำตามคำสั่งของเราใช่ไหเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของธรรมชาติคือร่างกายนี้บางทีมันก็ไม่สามารถสั่งมันทาอะไรได้ มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากไปไปไปสั่งมันอย่าไปเปลี่ยนมันอย่าไปให้มันเป็นในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นว่ามันเป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันใจเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้ให้เป็นไปตามความเป็นจริงของมันมันก็เลยทําให้เราทุกข์นี่คือการการสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรตวหรือทรงสอนตนก็คือมรรคมรรที่มีองค์แปดมรรที่มีองค์แปดนี้บางเวลาท่านก็จะสแสดงโดยยอด่อ มานก็จะยอเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาวาิสัมมากรรมโต ส, มมาาาสัมมาวาจาแล้วก็สัมมาอาชีวนี่เป็นองค์ประกอบของของศีลคือการการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการมีอาชีพที่ถูกต้องนี่เป็นส่วนประกอบของศีลแล้วก็สมาธิก็มีอยู่สาม ส่วนสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกรู้ชอบแล้วก็สัมมาสมาธิการตั้งตั้งมั่นในความสงบที่ที่เรียกวเป็นความตั้งมั่นที่ที่ถูกต้องอันนี้ก็อยู่ในในกลุ่มของสมาธิส่วนในกลุ่มของปัญญาก็มีอยู่สององค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและสาัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้อง เวลาพระเจ้าแสดงธรรมบางครั้งก็เพื่อย่อเวลาไม่มีเวลามากก็แสดงแบบสรุปสรุปว่ามรคือศีลสมาธิปัญญารือถ้ามีเวลาที่แสดงรายละเอียดทั้งแสดงมรคที่มีองค์แปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นการแสดงให้กับผู้ที่เป็นนักบวชเวลาแสดงให้กับนักบวชนี้ท่านจะแสดงศีลสมาธิปัญญาแต่เวลาแสดงให้กับคารวะผู้ครองเรือนนี้ท่านเพิ่มมรรคขึ้นมาอีกองคหนึ่งคือทานเพราะว่าคารวะญาติโยมนีย้ยังยึดติดอยู่กับเงินทองเข้าของอยู่ยังยึดติดกับเงินทองไว้อาศัยเงินทองมาเป็น เครื่องมือดับความทุกข์ซึ่งก็ดับไม่ได้มีเงินมีทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้ก็ยังทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายอยู่ไปถามมาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเดีย๋ยวดูว่าคุณยังทุกอยู่ไหมเงินทองที่คุณมี อ, อยู่เท่ากองภูเขานี้ดับความทุกข์ใจของคุณได้หรือไม่ดับไม่ได้ดังั้นถ้าเรายังอาสัยเงินทองมาเป็นเครื่องมืออยู่ซึ่งคารวะา มักจะใช้เงินทองนี้เป็นการเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจเวลาไม่ทุกข์ใจก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปกินนู่นกินนี่ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่มันก็ลืมความทุกข์ไปชั่วคราวเดี๋ยวพอกลับมาก็เจอความทุกข์ต่างเดิมก็เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายไม่เจอกับของตนเองก็เจอของคนอื่นที่รู้จักเดี๋ยวเพื่อนก็แก่เดี๋ยวเพื่อนก็เจ็บเดี๋ยวเพื่อนก็ตายเดี๋ยวคนนั้นก็แก่คนนั้นก็เจ็บมันเห็นอยู่เรื่อยๆ เห็นที่ลายมันก็ทุกใจทุกทีตอให้มีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ได้เวลาแสดงให้กับญาติโยพมพระองคก็ทรงแ ส, ส, ง ส, ส, งสดงทานศีลภาวนาให้ทำทานให้เลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์แตเ่เอาเงินทองนี้มาเปลี่ยนเป็นความสุขได้เอาเงินไปทำบุญ เวลาเราเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนนี่ใจของเราจะมีความสุขจะดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งดับความทุกข์ที่เกิดจากความโลภอยากได้เงินมากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแทนที่อยากจะได้เงินเปลี่ยนมาไม่อยากได้เงินเงินขอให้มีไว้พอเพียงพอกินพออยู่ก็พอแล้วถ้ามีมากกว่านั้นก็เอาไปทำบุญทำทาน พระพเจ้าจึงต้องสอนคารวาะผูกคลองเรือนให้ทําทานก่อนพอทําทานได้ก็จะมาจะมารักษาศีลได้คนที่ทําทานทําบุญนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ไม่ชอบสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับคนอื่นเมื่อทําบุญแล้วจะมีความเมตตาจะมีความสงสารผู้อื่น เวลาทําอะไรก็คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นว่าทําให้เขาเดือดร้อนหรือป้ะยถ้าทําให้เขาเดือดร้อนก็จะไม่ทําเช่นถ้าไปฆ่าสัตว์ก็จะไม่ทําถ้าจะไปลักทรัพย์ของเขาก็ไม่ทําถ้าจะไปประพฤติผิดประเพณีก็จะไม่ทําถ้าคนเป็นคนใจบุญคนที่ทําบุญทําทานจะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเพียงฝ่ายเดียวจะคํานึงถึงผลกระทบ ของผู้ด้วยที่เกิดจากการกระทําของตนเองก็จะทําให้รักษาศีลได้อย่างง่ายได้รักษาศีลห้าได้แล้วหลังจากทรงสอนให้ทําทานให้รักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนาภาวนาก็คือการปฏิบัติสมาธิและปัญญานี่ภาวนามีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถทภาวนาสมถทาภาวนาก็คือการทําใจให้สงบก็คือการนั่งสมาธินี่การเข้าสมาธิเรียกว่า สมถะภาวนาแล้วก็พอได้สมาธิแล้วก็ไปขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา <c oughs> ก็คือการทำสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเ <c oughs> ท่านั้นเองมันก็เป็นมรรคเหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาทรงแสดงก็อาจจะทรงแสดงแบบแบบไม่ไม่ไม่ละเอียด เพราะคนฟังอาจจะยังจะไม่สามารถเข้าใจลึกถึงรายละเอียดต่างๆได้ก็สอนแบบแบบรวมๆไปก่อนถ้าญาติโยมอยากจะมีมรรคอยากจะมีเครื่องดับไฟก็ให้ทำทานรักษาศีลให้ภาวนาให้ทำทานศีลภาวนาไปถ้าญาติโยมสนใจว่าภาวนาคืออะไรก็อาจจะไปถามถามเพิ่มเติมก็จะสอนวิธีภาวนาว่าต้องทำใจให้สงบก่อนนี่ก็สามมาทฐานภาวนา ใจสงบใจมีความสุขใจไม่หิวแล้วเขาสอนให้ใจไปละความอยากต่างๆความอยากได้นูน่นอยากได้นี่เพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีเราก็อยู่ได้อยู่กับความสงบได้อยู่กับอยู่กับสมาธิได้ความสุขไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่กับข้าวของเงินทองเพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ เรามีความสุขได้ที่ได้จากการทำใจให้สงบได้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีอย่างอื่นมาให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นไม่ต้องไปเที่ยวที่นี่ไม่ต้องไปดูไปฟังอะไรเรามีความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็จะสามารถละความอยากได้เพราะเราเห็นว่าถ้าเราทาตามความอยากเราก็จะสร้างความทุกข์ใจ เวลาเราอยากแล้วเราไม่ได้เนี่ยมันจะมันจะทรมานใจเวลาได้มันก็มันก็สงบตัวไปช่วยระยะหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่พอได้สิ่งนี้ไปแล้วสักพักหนึ่งมันก็เบื่อสิ่งที่ได้มาก็อยากจะได้สิ่งใหม่ก็ใจก็จะต้องดิ้นรนอีกต่อไปตราบใดถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ใจก็ยังต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆแล้วเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็จะต้องทุกทุกใจเสียใจ หรือได้สิ่งที่รักมาพอสิ่งที่รักมาจากไปก็เสียใจนั้นสรุปก็คือถ้าไปทำตามความอยากเรานี้จะต้องไปเจอความทุกข์อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ต้องเจอเจอตั้งแต่เริ่มต้นแนะพออยากได้ขึ้นอยากได้อะไรขึ้นมานี้ใจเริ่มกังวลแล้วใจเริ่มกังวลกังวายกระสับกระสายจะได้ไหมเนาะเช่นบางคนอยากจะถูกกอตเอรี่เมื่อวานนี้ตอนบ่าย ตอนเย็นนี่ใจสั่นไปหมดแล้วคอยติดตามดูว่าจะถูกคอตเตอรี่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนไม่อยากอยากคนที่ไม่อยากจะถูกคอตเตอรี่ไม่ซื้อคอตเตอรี่ไม่ไม่เดือดร้อนมันจะออกเลขไหนอะไรเฉยๆสบายไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาวุ่นวายไปกับมันให้สังเกตดูเวลาเรามีความอยากกับเวลาที่เราไม่มีความอยากนี้อย่างไหนดีกว่ากันเวลาไม่มีความอยากใจเรานิ่งใจเราเย็นใจเราสบาย แต่เวลาที่เรามีความอยากปั๊บนี่ใจเราก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีเริ่มวิตกเริ่มกังวลเริ่มห่วงใยแล้วเสียว่าจะได้หรือไม่ได้ น, นี่คือปัญหาที่พระเจ้าได้ส่งคนทรว่าความทุกข์ของใจนี้มันเกิดจากเกิดจากตัณหาความอยากความอยากได้รูปเสียงกินรดเม่อยากได้รูปเสียงกินแลด้วก็ต้องอยากให้มีร่างกายที่แข็งแรงอยากได้ร่างกายที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนันเอง มันก็เลยทำให้ใจทุกเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปถ้าอยากจะหายทุกข์ก็เลิกเลิกเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่ต้องดูต้องฟังเพราะเราสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ร่างกายจะเจ็บจะ จะป่วยจะแก่จะตายเราก็ยังสามารถมีความสุขได้เพราะเราเราเร า, เราสามารถทำใจให้สงบได้เพราะการทำใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้สติใช้สัมมาสติใช้สัมมาวายาโมใช้ความเพียรความเพียรพย า, ยานที่จะหมัน่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆเรยจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับเนี่ย คอยฝึกสติบริกรรมพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดส่วนใหญ่เราวันมาหนึ่งเนี่ยคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดคิดเพ้อเจ้าคิดเพ้อฝันคิดคิดตําหนิติเตียนวิพากวิจารณ์คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปทุกไปเป็นเป็นบ้าไปกับสิ่งที่เราวิพากวิจารกันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความคิดเหล่านี้เลย คามคิดเหล่านี้เราควรที่จะหยุดมันใช้คําบริกรรมก็ได้พุทโธพุทโธไปถ้าเราหมันพุทโธพุทโธไปมันก็จะไปนั่งวิภาควิจารณ์ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปนินทากาเลไปนินทาคนนั้นไปอะไรคนนี้มันเรื่องของเขาเรื่องของชาวบ้านเราไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่เราไปยุ่งกับเขาเองหยุดมันดีกว่าให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วใจเราจะว่างใจเราจะเย็นใจเราจะสบาย และเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นหนึ่งจะนิ่งสงบเต็มที่เต็มร้อยพอจิตนิ่งสงบเต็มที่เต็มร้อยก็จะได้อัปปนาสมาธิได้ได้ความสงบที่เต็มร้อยได้ความสุขที่เต็มร้อยที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขเอื่องที่เหนือกว่าความสงบไม่มีก็จากการหมั่นจเจริญสติด้วยสัมมาวายาม ความเพียรพยายามที่จเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วเลือนถึงพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิกันนั่งทําใจให้สงบทําใจให้เย็นให้สบายพอใจมีความสุขจากสมาธิแล้วก็ไม่จำไม่มีความคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปกินนั่นๆกินที่อะไรอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอะไรถ้าจะกินก็กินเพื่อร่างกายเมื่อถึงเวลาก็กินเพียงกําหนดเวลาไป เป็นพระส่วนใหญ่ที่เป็นพระปฏิบัตินี้ท่านก็ท่านยอฉันมื้อเดียววันละครั้งก็พอแล้วกินเพื่อร่างกายก็กินแค่วันละครั้งก็พอแต่กินเพื่อความอยากนี่กินไปสี่ห้าครั้งก็ก็ยังไม่พอกินตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งก่อนจะเข้านอนก็ต้องหาอะไรกินก่อนกลัวเดี๋ยวนอนไม่หลับถ้าถ้าท้องไม่ไม่ไม่อิ่มกลัวจะนอนไม่หลับกนนีกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา โรคอ้วนก็ตามมาโรคความดันก็ตามมาโรคเบาหวานก็ตามมาโรคไขมันอุดตันก็ตามมาแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพะเกิดโรคภัยแค่เจ็บก็ยิ่งเกิดความทุกข์ใหญ่แทนที่จะดับความทุกข์กลับมาสร้างความทุกข์ขึ้นมาจากวิธีการที่เรามาใช้ในการดับความทุกข์จากการกินการนอนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแทนที่จะเป็น เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหากับกายเป็นตัวปัญหาขึ้นมาเอวิธีที่แก้ปัญหาก็คือต้องใช้การทำใจให้สงบหยุดเส็บรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆผ่านทางร่างกายแล้วพอเราสามารถมีความสุขจากการทำใจให้สงบได้ร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่เราก็เราก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ปล่อยมันแก่ไป พราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายล้วไม่ได้ไปไหนแล้วเราอยู่บ้านอยู่ในห้องคนเดียวนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบได้หรือถ้าเรามีปัญญาเราก็ระ ง, งับความอยากได้พอเรารู้ว่าการปล่อยให้ใจไปทาตามความอยากจะทำให้ใจทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิน้นเพราะความอยากมันไม่หมดไปจากการทำตามความอยากยิ่งทำตามความอยากเท่าไหร่ความอยากยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้น แล้วรุนแรงมากขึ้นด้วยตอนต้นก็อยากนิดหน่อยอยากได้ครืบเี้ยพอได้ครืบต่อไปก็อยากจะได้วาพอได้วาก็อยากจะได้ศอกเหมือนก่อนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆตอนเด็กๆได้เงินกินขนมวันละเท่าไหร่ก็ดีใจแล้วพอโตขึ้นมาทํางานได้เงินเดือนอได้เงินเป็นเป็นหมื่นเป็นพันแล้วทนี้ก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกจากหมื่นก็อยากจะได้เป็นแสนพอได้แสนก็อยากจะได้เป็นล้าน ได้ไปเรื่อยๆความอยากมันไม่มีวันหมดเลยยิ่งอยากมันก็ยิ่งทําให้เราทุรนทุรายต้องต้องวิ่งต้องดิ้นรนคอยคอยหาสิ่งที่เราอยากได้ความสุขมันไม่มีความสุขมันหายไปมันสุขมันสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆทั้งนั้นเองพอพอสักพักผ่านไปความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นมาพอได้ล้านหนึ่งอยดีใจตอนต้นก็ดีใจพอใช้เงินใช้เงินไปสักพักหนึ่งรู้สึกเงินล้านไม่พอใช้เสียละ อยากจะได้สิบล้านขึ้นมาแะ้อนนี้นี่แหละคือปัญหาถ้าเราทําตามความอยากแล้วมันจะไม่มีวันสิ้นสุดใจเราจะต้องดิ้นใจเราต้องวิ่งเต้นอยู่เรื่อยๆแล้วเวลามีอุปสรรคก็เครียดกับอุปสรรคต่างๆมีปัญหาต่างๆที่คอยขัดขวางสิ่งที่เราอยากได้กัน น, นี่คือการหาความทุกข์ไม่ใช่การดับความทุกข์การดับความทุกข์ที่ถูกต้องต้องหยุดความอยากอย่าไปทําตามความอยาก พอเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่มีความอยากถ้าเราสามารถทาใจให้สงบได้ถ้าเรามีถ้าเรามีสติที่มีกําลังมากแล้วก็มีปัญญาที่รู้ทันความหลงว่าการไปทำความอยากนี้ไม่ได้เป็นวิธีการหาความสุขแต่เป็นวิธีการหาความทุกข์การการหาความสุขที่แท้จริงก็คือวิธีต้องหยุดความอยากต้องไม่ทาตามความอยาก พอเราไม่ทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่มายุ่งกับเราเพราะมันรู้ว่ามันมาชวนแล้วเราไม่ไปชวนเราไปเที่ยวเราก็ไม่ไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็เหนื่อยมันก็เบื่อมันก็หยุดมาชวนเราเองเหมือนถ้ามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนชอบเที่ยวมาชวนเราไปเที่ยวถ้าเราบอกเราไม่ไปเนี่ยทั้งสองั้งเขาก็ไม่มาชวนแเราละพอมาชวนทีไรก็ไม่ไปเสียเวลาเขาก็จะไม่มาชวนแล้วความอยากก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าถ้าเราทำตามความอยากแล้วมันจะไม่มีวันจบมันจะมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากได้แล้วครั้งต่อไปมันจะเบาลงตอนนี้อยากมากๆพอเราฝืนความอยากนี้ได้พอความอยากมันสงบตัวได้ครั้งต่อไปมันจะไม่แรงเท่าครั้งนี้แล้วมันจะลดกําลังลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจเราก็คือความอยากต่างๆ ถ้าเราไม่อยากจะเจอความอยากไม่เจอความทุกข์ไม่อยากไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปทำตามความอยากต่อ<ม>ไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงอ่อนกาลังลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดความอยากมันก็จะหายไปหมดพ<ม>อใจไม่มีความอยากแล้วใจก็นิ่งสง บ, บโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้สาเหตุที่ใจเราวุ่นก็เพราะว่ามันมันเกิดความอยากนั่นเองพอไม่มีความอยากใจก็จะนิ่งของมัน เหมือนน้ำเนี่ยน้ำถ้าเราไม่ไปเอาอะไรไปไปกวนมันมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็มันก็จะนิ่งเฉยเฉยพอเราเราไปกวนมันเช่นน้ําในแก้วนี้ถ้าเอาหลอดไปคนมันน้ํามันก็ไม่นิ่งแต่ถ้าเราไม่มีอะไรไปไปคนมันปล่อยให้น้ามันอยู่เฉยเฉยของมันเดี๋ยวน้ามันก็นิ่งของมันเองใจเราก็เป็นเหมือนน้ําเนี่ยสาเหตุที่ใจเราไม่นิ่งกันอยู่เพราะว่าเราใจเรามีความอยากตลอดเวลาอยากตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยใช่ไหม พอลืมตาขึ้นมาก็อยากอยากไปนู่นอยากมานี่อยากทํานู่นอยากทํานี่แล้วสิ่งแรกก็อยากจะกินก่อนแล้วพอลืมตาขึ้นมานี่อยากจะหาอะไรดื่บอยากจะหาอะไรกินแล้วก็ต่อไปก็อยากจะไปที่นั่นที่นี่ถ้าไม่มีงานต้องไปทําก็อยากจะไปเที่ยวกันอยากไปดูอยากจะไปฟังอะไรมันมันทำงานตลอดเวลาใจเลยไม่มีความสุขความสุขที่ได้จากความอยากก็เป็นความอยากแบบเป็นความสุขแบบผิวเผินเป็นความสุขแบบชั่วคราวเท่านั้นเอง แต่ลึกๆในใจมันก็ยังไม่อิ่มไม่พอเพราะความอยากมันยังไม่หยุดมันพอได้อย่างนี้แล้วมันก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อพอได้กินแล้วก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปเที่ยวอยากไปเล่นพอเล่นเสร็จเหนื่อยก็อยากจะไปนอนพอตื่นขึ้นมาก็อยากไปเที่ยวใหม่ก็อยากจะไปกินไมปดื่มมันก็เป็นวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหรอกใจของเราก็ต้อง ต้องดิ้นรนไปอย่างนี้แล้วเวลาไปเจออุปสรรคขึ้นมาก็จะทุกข์เวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็จะทุกข์หรือเวลาอยากแล้วไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้ก็จะเสียใจหรือถ้าไม่มีเงินไปซื้อของที่เราอยากได้ก็จะทุกข์ใจในี่คือปัญหาของความทุกข์ใจของคนเกิดจากความอยากของตนเองทั้งนั้นโดยที่ไม่รู้สึกตัวไ่โทษคนนั้นคนนี้ว่าทาให้เขาทุกข์ ความจริงไม่คนนู้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เราทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้ไปอยากทีอยา่างพระอาทิตมันจะร้อนขนาดไหนถ้าเราไมไ่ไปอยากให้มันไม่ร้อนเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราบ่อยให้มันร้อนไปแล้วพอเรารู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้มันจะร้อนเข้่อยมันร้อนไปเราหลบหาที่หลบได้เราก็หลบไปหลบไม่ได้เราก็ทนไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือทุกข์กษัตริย์ที่พระเจ้าได้สรงตัดสรุป ว่ามันเกิดจากความอยากของเราและการที่จะทำให้ความทุกข์ที่เกิดในใจของเราดับไปได้นี้เราต้องมีเครื่องมือมีมัคมีมัคคือเราจิตของเราต้องมีกำลังสู้กับความอยากต้องสู้ด้วยศีลสู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยปัญญาหรือถ้าเราเป็นคารว่าผู้ครองเลยก็ต้องสู้ด้วยความอยากการสู้ด้วยความสู้ด้วยการไม่ใช้เงิน เวลาอยากจะหาความสุขจากการใช้เงินก้าวเงินก้อนนั้นไปทําบุญแทนเช่นอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศสักอาทิตย์หนึ่งหมดเงินไปสักแสนสองแสนก็เปลี่ยนใจไม่ไปเที่ยวดีกว่าเอาเงินนี้ไปทําบุญดีกว่า <S <S พ อ, เ, อาเงินไปทําบุญมันก็ไปเที่ยวไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเงินเที่ยว <S <S ความอยากเที่ยวต่อไปมันก็จะหายไป <S <S ถ้าเราอยากเที่ยวแล้วเอาเงินนี้ไปไปจ่ายค่าค่าท่องเที่ยว ไปครั้งนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาครั้งต่อมันก็อยากจะไปครั้งต่อไปแต่ถ้าเราไม่เราไม่ไปเที่ยวครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปอความอยากจะไปเที่ยวมันก็เบาบางลงไป เ, เรื่อยๆต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะหมดไปทุกครั้งที่เรามีเงินแล้วเราอยากจะใช้เงินไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เอาเงินนี้ไปทําบุญแทนทุกครั้งทําอย่างนี้แล้วต่อไปอเราจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆ เพราะว่าเราได้ความสุขจากการทําบุญมากกว่าดีกว่าทําบุญแล้วนี่ความสุขอยู่กับใจเรานานกว่าเราทําบุญเมื่อเดือนที่แล้วความสุขเวลาคิดถึงถึงบุญที่เราได้ทําเมื่อเดือนที่แล้วความสุขนั้นก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เรายังรู้ยังยังมีความรู้สึกมีความสุขใจอยู่ไม่เหมือนกับการที่เราได้ไปเที่ยวเดือนที่แล้วพอเรามาคิดถึงเขาพอเรามาคิดถึงวันนี้เมื่อคราวที่แล้วเดือนที่แล้วเราไปเที่ยวความสุขนั้นหายไปหมดแล้ว มีแต่ความอยากไปเที่ยวใหม่ขึ้นมาแทนที่อันนี้เราต้องพยายามใช้ทานใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับความอยากที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะมีเครื่องมือที่เราจะสามารถระงับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้งั้นหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือเราต้องสร้างเครื่องมือกันขึ้นมา ตอนนี้เรายัางทําทานไม่มากพอเรายัางรักษาศีลไม่มากพอเรายัางนั่งสมาธิกันไม่มากพอเรายัางไม่มีปัญญายัางมองไม่เห็นอริยสัจสี่ตลอดเวลาเช่นวันนี้ได้มาได้ยินได้ฟังอาจจะเป็นครั้งแรกหรือด้วยซ้ําไปสําหรับบางท่านว่าทุกข์ของโมรานี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากใครและวิธีที่จะทําให้ทุกใจของเราหายไปก็คือเราต้องมาหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเรา บางคนนี้อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนเลยก็ได้ก็จะคิดว่าเวลามีความทุกข์ใจเราอย า, อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาถึงจะหายทุกข์สังเกตดูเด็กๆ เ, เ, เวลาอยากได้อะไรมันจะงองงี้จะร้องขอพ่อขอแม่พอพ่อแม่เอาสิ่งที่อยากได้มาก็หายดีใจไปช่วงขา่าวคิดว่านี่แหละคือวิธีทำให้ใจหายทุกข์คือทาตามความอยากแต่ไม่รู้ว่าความอยาก ความหายทุกน oh. ี้มันหายไปชั่วคราวเดี๋ยวเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาและแรงกว่าเก่ามากกว่าเก่าขึ้นมปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่วิธีทางดับทุกการทำตามความอยากไม่ใช่เป็นการดับทุกเป็นการเพิ่มความอยากเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่ทำให้ความอยากหมดไปต้องฝืนต้องต้องหยุดความอยากในการที่เราจะหยุดความอยากได้เราจะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือมรคนี้เองมรที่มีองแปด ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ทานศีลภาวนาถ้าเป็นนักบวชนี้ก็ไม่ต้องทำทานและเพราะไม่มีเงินทาเวลาเป็นนักบวชนี้ก็ทำทานสละไปหมดแล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดแล้วก็มาบวชเวลามาบวชนี้เขาไม่ให้เอาเงินทองติดตัวมาให้เอามาแต่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านนันเองและความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเงินทองไม่สามารถดับความทุกข์ได้แต่เราถ้าเรายังใช้เงินทองดับความทุกข์เราก็ต้องหยุดมันหยุดมันด้วยการเอาเงินทองที่จะไปใช้ดับความทุกข์นี้มาทำบุญทำทานมันก็จะดับความทุกข์จากการที่เราจะเกิดความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆได้ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทอง ไปซื้อความสุขเพื่อมาดับความทุกข์ใจของเราแล้วเราก็จะสามารถไปรักษาศีลได้เมื่อรักษาศีลได้เราก็จะสามารถไปภาวนาได้ไปทําใจให้สงบนั่งสมาธิจเจริญสติได้แล้วพอเราได้สมาธิเราก็สามารถศึกษาความจริงของอริยสัจสีได้ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากการการที่จะทําให้ใจของเราหายทุกข์จะทํำยังไง ก็ต้องหยุดความอยากด้วยการเห็นความจริงเห็นความจริงว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นไปไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายู้อยากไปอยากดีกว่าอยากเราจะไม่ทุกข์ไม่อยากเราจะไม่ทุกข์ถ้าไปอยากแล้วมันจะทุกข์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาและปฏิบัติตามลาดับไปเรื่อยๆแล้วถ้ามรรคของเราสมบูรณ์มีกาลังพร้อมเต็มร้อย เราก็จะสามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เลยเมื่อเรากําจัดความอยากหมดไปแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเห็นอะไรก็จะรู้สึกเฉยๆเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ร่างกายจะแก่ก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้จะตายก็ห้ามมันไม่ได้คนนั้นจะจากเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ คนไม่ดีจะมาทำร้ายเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ครับเขาทำได้อย่างมากก็ทำให้เราตายซึ่งไม่มีเขาเราก็ตายอยู่ดีเขาไม่มาทำเราเราก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเรามองอย่างนี้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไรถ้าเราไม่มีความอยากไม่ตายแล้วใครจะทำให้เราตายมันก็เหมือนกับเหมือนกับมันตายของมันเองความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาความแก่มันเป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดา เราจะอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไม่รู้สึกหวั่นไหวเพราะว่าเราไม่ทุกข์กับมันเราไม่มีความอยากที่จะให้มันไม่เป็นมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปนี่คือการเข้าใจพระอริยสัจสี่สิ่งนี้พรเจ้าทรงสอนให้เราจเจริญแนอริยรรสัจสี่ก็คือ ทุกเราต้องศึกษาต้องคอยตื่นใจสอนใจอยู่เราเรียกว่าอะไรคือความทุกข์ความทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันเป็นต้นแล้วอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆนี่ อ, อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วเราจะทำให้ความทุกข์นี้หายไปได้อย่างไรก็ต้องมีปัญญามีสติมีสมาธิมีศีลมาเป็นเครื่องมือในการที่จะดับความทุกข์ใจเราก็ เอามาหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือพยายามเตือนใจว่าความทุกข์นี้เป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือเหตุที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากและการที่จะทำให้ความอยากนี้มันหายไปก็ต้องมีมรรคมีมีมรรคที่เราต้องมาเจริญมาปฏิบัติกันนี่เรามาทำบุญทาทานกันมารักษาสีการมาฝึกสมาธินั่งทำใจให้นิ่งให้สงบกัน แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญากันแล้วพอเรามีมรรคเต็มร้อยมีเครื่องมือครบบริบูรณ์เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราได้เมื่อความอยากถูกกำจัดด้วยมรรคแล้วทุกข์ก็จะหายไปเหมือนกับเรามีน้ำดับไฟถ้าเรามีน้ำมีเครื่องมือดับเพลิงพอมีไฟลุกขึ้นมาในบ้านล้วก็เครื่องมือมาดับไฟได้ทันทีบ้านเราก็จะไม่ไหม้ไปนะนะ ถามันใดถ้าใจเรามีมรรคมีศีลสมาธิปัญญามีมีทานมีศีลภาวนาแล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของพระอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้เป็นพระองค์แรกเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้แล้วหลังจากนั้นก็เอามาเผยแผ่ไม่สงวนลกข์ศิษย์ไม่เก็บเงินเก็บทองใายจเอาไปใช้ก็เปิดโอกาสให้ใช้ได้อย่างเต็มที่ยิ่งปรากฏมีพระอรหันตาสาวก ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นจํานวนมากนะครับตั้งแต่ยุคที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้โลกของเรานี้ยังมีผ้าอันหันกันอย่างต่อเ น, นื่องมีผู้ที่เข้าใจอริยาาสัจสีและสามารถใช้ผ้าอริยาาสัจสี่นี้มาดับความทุกข์ในใจของตนได้พวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็เป็นเหมือนพวกสาวกทั้งหลายตอนนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมแล้ว ถ้าเรามีความเข้าใจมีศรัทธาที่จะน้อมนำมาปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถมีเครื่องมือมีมรรคที่จะนำมาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยะถาวาริวหาปุราปาริกปุเรนติสาคหลัง เอวเมวะเอโตทินังเตตางนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรยตุสังกปาจันโทปนะวะโสยถามณิโชติอารโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอย่ารอให้เลิกแล้วค่อยมาถามนะเพราะว่าจะไม่สะดวกจะสะดวกช่วงนี้พอรอเลิกแล้วเราก็ต้องขอหยุดเรื่องการถามตอบคำถามไว้งั้นอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้อยากจะถามเองก็เข้ามาที่นี่แล้วมีไมโครโฟนให้พูดหรือถ้าไม่เข้ามาก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความกามาก็ได้ มีมือถือก็เข้ามาทาง YouTube ทาง Facebook ได้ทางเพจได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 452ท่าน y o mm hmm. youtube ปัิชาชัดไลฟ์299ท่าน YouTube ดกเร73ท่านวิทยุออนไลน์ Online, 12ท่าน Club House 6ท่านนากรติ153ท่านรวมทั้งหมด 9ก้าอยเก้าสิบห้าท่านครับอาจารย์เชิญมีคำถามจากทางหน้ากุดค่ะเกี่ยวกับการนั่งฟังเทศเจ้าค่ะเวลานั่งฟังพระอาจารย์เทศคนฟังอย่างไรเข้าใจว่าการฟังมีสองแบบข้อหนึ่งตั้งใจฟังคิดเชื่อมโยงแล้วก็จดจำข้อที่สองฟังแบบไม่ต้องคิดตามแค่ได้ยินเสียงกระทบถ้าไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่านขอความกรุณาช่วยอธิบายด้วยค่ะ ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ฟังว่าฟังแล้วสามารถพิจารณาตามได้หรือเปล่า mm hmm. พิจารณาเรื่องราวที่กําลังสแสดงไว้ mm hmm. เหตุและผล mm hmm. ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามได้ก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจ mm hmm. ก็เรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจคือเป็นคําพูดหรือเป็นเป็นคำพูดบางอย่างว่าอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟัง ฟังแล้วงงไม่สามารถที่จะพิจารณาตามได้ก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆใช้เสียงแทนพุทโธใช้เสียงแทนลมหายใจใช้เสียงเป็นเครื่องกล่อมใจแทนใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่จะไม่ได้ปัญญาจะไม่ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะเวลาฟังเทศบางคนบอกว่าอาธิฐานไม่ขยับตัวเลยตลอด หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงที่ราเทศถ้ามีความปวดเกิดขึ้นก็ฝึกสู้เ ว, วทนาระหว่างฟังพ่อแม่ครัจารเทศไม่ทราบว่าการฟังเทศทนทุกขเวทนาแบบนี้คืออย่างไรแล้วคนฟังจะเข้าใจเรื่องหรือเนื้อหาที่พระจารเทศได้อย่างไรคะไห่ลองถามใหม่ได้ได้ค่ ะ, นน เ, คะเวลาฟังเทศบางคนบอกว่าอธิษฐานไม่ขยับตัวเลยตลอดหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะ ถ้ามีความปวดเกิดขึ้นก็ฝึกสู้เวทนาระหว่างฟังไม่ทราบว่าการฟังเทศทนทุกขเวทนาแบบนี้คืออย่างไรแล้วคนฟังจะเข้าใจเรื่องหรือเนื้อหาที่พระอาจารย์เทศได้อย่างไรคะออการฟังก็ต้องมีความตั้งใจ <c oughs> ถ้าเราไปขยับร่างกายมันก็จะไม่ได้ไปฟังแล้วตอนที่เราไปขยับร่างกาย <c oughs> มันก็จะขาดตอนการฟังเทศทีมันขาดตอนไม่ต่อเนื่องมันก็จะไม่เข้าใจอย่าง อย่างถูกต้องในเวลาฟังเทศเพื่อจะให้เกิดความเข้าเข้าใจนี้ต้องตั้งใจฟังโดยที่ไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ไปขยับร่างกายไม่ไปทำนู่นทำนี่ <Yeah. S 1> ก็จะฟังได้อย่าง <Yeah. S 1> อย่างมีรสมีชาติมีเหตุมีผล <Yeah. S 1> แต่ถ้านั่งไปแล้วเดี๋ยวขยับตรงนู้น <Yeah. S 1> เดี๋ยวขยับตรงนี้ <Yeah. S 1> มันก็ทำให้ใจเรา mm. กิ้งไปกิ้งมาระหว่างการฟังกับการมาขยับร่างกายอย่างนี้ก็จะไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รับ ปัญญาอย่า ง, อ ย, างอย่างต่อเนื่อง <Yeah. S 1> ก็จะเป็นปัญญาแบบขาดขาดกันเกิน <Yeah. S 1> ก็จะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าอยากจะให้เข้าเจ้าเข้าใจก็ต้องอย่าไปขยับร่างกายอย่าไปสนใจกับความเจ็บความปวดของร่างกายให้ถ้าเรามีความสนใจกับการฟังธรรมนี้บางทีความเจ็บปวดก็จะไม่มารบกวนใจเราเพราะเราเพราเรากำลังหมกมุ่นอยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียว ดังถ้าเราฟังโดยที่ไม่ขยับได้ก็ดีถ้าถ้ายังต้องขยับอยู่ก็เทว่าอินทรีย์เรายังอ่อนอยู่สติเรายังน้อยอยู่ไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับการฟังได้อย่างต่อเ น, นื่องพอมีอะไรมากระทบหน่อยครับปลิวไปกับสิ่งที่มากระทบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขไปตามลําดับต่อไปฝึกสติให้มากขึ้นอย่าอย่ามาฟังเทศใช้สติเข้าฟังเทศช่วงฟังเทศเพียงอย่างเดียว ให้ฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยมีเวลาช่วงไหนที่เราจเจริญสติได้ก็พูดโทรพูดโทรไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยจากคุณสมบูรณ์ค่ะสะดวกนั่งสมาธิโดยใช้วิธีนั่งพับเพียบเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมเจ้าคะการนั่งนี่มันก็มีหลายท่าด้วยกันท่าที่ดีที่สุดก็คือท่านั่งขัดสมาธิแต่ถ้าเรานั่งไม่ได้เราจะนั่งพับเพียบนั่งบนเก้าอี้นี่ก็ก็นั่งได้ เพราะ ต, ตัวที่ทำให้ใจสงบไม่ได้อยู่ที่ตัวร่างกายอยู่ที่สติฉะนั้นถ้ามีสติเราก็จะทำใจให้สงบได้ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ในท่าใดก็าตามจากทาง YouTube ค่ะโดนคนแซงคิวในใจรู้สึกไม่พอใจแต่ไม่ได้พูดออกมาค่ะ ความรู้สึกมันไม่วางเฉยคิดว่าเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แต่ก็ยังมีอารมณ์อยู่ค่ะได้แต่บอกตัวเองว่าคราวหน้าต้องทำให้ได้ดีกว่านี้แบบนี้พอจะใช้ได้ไหมเจ้าคะก็ได้พยายามที่จะปล่อยให้เขาไปหรือจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าที่เขาแซงคิวเราก็คือเขาจะรีบไปตายคค <c oughs> อ่อนเราเราก็ลองยืนเข้าแถวไปตายกันเราไม่ได้ไปไหนกันหรอกเวราทุกคนเกิดมาก็เกิดมาเพื่อไปตายกันทั้งนั้น งั้นถ้าอยากจะแซงคิวไปตายก็เชิญไปไปก่อนได้เลยแต่เราอยู่ค่าเราอยู่ท้ายปลายคิวดีกว่าตายที่หลังดีกว่าไปตายก่อนอนี่ยังไม่มีค่ะนะคิดอย่างนี้เวลาใครปาดหน้าเราแซงเราเอาอยากจะรีบไปไปเลยไม่ได้ไปไหนหรอกไปวัด <c oughs> ไม่ไปไวัดก็ไปโรงพยาบาล <c oughs> เราไปของเราเรื่อยๆสบายๆายไปแบบเต่าดีกว่าปล <c oughs> อดภัยกว่ายัางไม่มีค่ะ พยายามอย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นเขาเราดูที่ตัวเราดูว่าเรากําลังทําอะไรทำอะไรตัวเราให้ปลอดภัยอย่างดีที่สุดอย่าไปมองคนอื่นแล้วไปโกรธเขาแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับเขาแล้วก็จะทําให้ตัวเราเจ็บตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพยายามรักษาตัวเราอยู่แบบเเจียมเนื้อเจียมตัวใครอยากจะใหญ่ใครอยากจะเก่งก็ปล่อยเขาใหญ่ไปเก่งไป เดี๋ยวใหญ่กับใหญ่เจอกันเดี๋ยวมันก็แตกกันเดี๋ยวก็ต้องแตกหักกันะแต่คนที่เจียมเนื้อเจียมตัวนี้จะไม่ค่อยมีใครมาแข่งกับเราหรอกเราก็ไปแบบพอเราเยีย้ยไปแบบสบายสบายดีกว่าเราไม่ได้ไปไหนหรอกเราไปเหมือนเราเราวิ่งในวงกลมนะจากจากจุดนี้ไปเดี๋ยววิ่งก็กลับมาที่อยู่ที่จุดเดิมนะเห็นไหมตอนเช้าก็ออกจากบ้านแล้วก็แย่งกันวิ่งกันแข่งกันทํานุ่นทํานี่กันเดี๋ยวที่สุดก็กลับมานอนที่บ้าน แล้เดี๋ยตอนเช้าก็ออกไปแย่งกันอีกมันก็วิ่งอยู่ในวงกลมนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกเราะฉะนั้นไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกแข่งกับกิเลส ข, ของเราก็พอแข่งกับตัวอยากด้วยอยากทำอะไรเร็วๆอยากจะได้นู่นได้นี่ตามใจความอยากไอ้ตัวเนี้เป็นตัวที่ทําลายสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นคนอื่นก็จะเป็นอะไรนไี่ปล่อยเขาเป็นไปเราห้ามเขาไม่ได้มองคนอื่นว่าเหมือนกับเรามองเหมือนกับดินฟ้าอากาศ เราห้ามดินฟ้าอากาศไม่ได้แล้วก็ห้ามคนอื่นเขาทำอะไรไม่ได้คนหนึ่งก็จะทําอะไรก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของเขาไปเราก็ดูตัวเราก็พอดูตัวเราอย่าไปเป็นเหมือนเขาก็แล้วกันทําตัวเราให้เจียมเนื้อเจียมตัวเราจะเราจะไม่มีปัญหากับใคร<ม>ยังไม่มีนะโอเคไม่มีก็เอาตอนนี้ก่อนนะวันนี้ฝนฟ้าทําทําท่าจะมานะ้วเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตกก่อนที่เราเริกก็จะจะวุ่นวาย